คำอธิบายเทศนาของหลวงพ่อสมเด็จพระพุท ธ, ธาจารโตแสดงในวันมาคะบูชาเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์พุทธศักราช 2,515 ในเทศนาการที่แสดงเมื่อวันมาคะนั้นก็มีข้อความที่ควรจะอธิบายเพื่อเน้นให้เห็นถึงความหมายที่สำคัญอยู่หลายตอน เช่นท่านเน้นให้เราทราบอีกครั้งหนึ่งว่าทำไมคนเราไม่เห็นสิ่งเดียวกันหรือได้ยินสิ่งเดียวกันแต่แล้วคิดไม่เหมือนกันท่านบอกว่าเมื่อท่านมีชีวิตเป็นโอปปาติกะท่านเข้าใจเหตุผลในเรื่องนี้ชัดเจนมากข้าพเจ้าก็อยากจะเตือนความทรงจำของท่านผู้อ่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่าข้อเท็จจริงในเรื่องนี้เรารู้กันอยู่ทั่ ว, วไป แต่ไม่ค่อยมีใครคิดว่าข้อเท็จจริงในเรื่องนี้บอกให้เราทราบถึงเรื่องอะไรคนส่วนมากถึงแม้จะเชื่อว่าเราเคยเกิดมาแล้วแต่ความเชื่ออันเนี้ยก็ไม่สนิทเพราะเราละลึกชาติไม่ได้จำเหตุการณ์ในชาติก่อนไม่ได้แต่ท่านลองคิดดูสมมุติว่าในขณะนี้ท่านไปมีชีวิตเป็นโอปปปาติกา แต่เป็นโอปปาติกะที่เข้าใจเรื่องของตัวเองดีพอสมควรเข้าใจเรื่องกรรมและวิบากแจ่มแจ้งและได้คบหาสมาคมกับพวกโอปปาติกะต่างๆแล้วท่านจะเห็นได้ชัดว่าทำไมพวกโอปปาติกะทั้งหลายจึงมีความคิดแตกต่างกันแม้กระทั่งในเรื่องง่ายๆและเปลี่ยนความคิดยาก และเนื่องจากพวกโอปปาติกะที่มีการศึกษานั้นย่อมจะรู้ดีว่าโอปปาติกะตนนี้เมื่อเป็นมนุษย์ทำกรรมอย่างไรมีวิบากอย่างไรรู้ถึงเหตุการณ์ในอดีตชาติของพวกโอปปาติกะทั้งหลายฉะนั้นจึงเห็นได้ว่าถ้าคนเหล่านี้ไม่เคยเกิดเป็นคนไม่เคยทำกรรมมาอย่างนั้นไม่เคยมีวิบากมมาอย่างนั้นเขาก็จะไม่คิดอย่างนี้เป็นอันขาด ตัวอย่างในเรื่องนี้ในโลกของโอปปาติกะเห็นได้ชัดเพราะการระลึกชาติได้เป็นเรื่องที่ไม่ยากสำหรับโอปปาติกะที่มีการศึกษาและมีคุณธรรมทีนี้เมื่อหันมาพิจารณาดูมนุษย์ว่าทำไมคนในโลกมนุษย์ทั้งที่เห็นสิ่งเดียวกันได้ยินสิ่งเดียวกันแต่แล้วก็คิดไม่เหมือนกัน ตัวมนุษย์เองไม่รู้สึกตัวไม่เข้าใจเหตุผลว่าทำไมตัวเองจึงคิดอย่างนี้ทำไมคนนั้นจึงคิดอย่างนั้นแต่สำหรับโอปปาติกะชั้นสูงเช่นอย่างหลวงพ่อสมเด็จจึงเป็นการง่ายที่ท่านจะมองเห็นชัดว่าทุกคนเคยเกิดมาเคยทำกรรมมาอย่างนั้นอย่างนี้มีวิบากมาอย่างนั้นอย่างนี้เขาคิดตามวิบาก จุดนี้เป็นจุดที่สำคัญมากถ้าเข้าใจแจ่มแจ้งเราก็จะรู้ได้อย่างแน่ใจที่สุดว่าการที่เรามีนิสัยใจคอมีความรู้ความสามารถมีแนวความคิดมีการกระทาและการพูดอย่างนี้ก็เพราะเราเคยเกิดมาแล้วเคยทำอย่างนี้มาแล้วเคยพูดเคยคิดอย่างนี้มาแล้วซึ่งในเมื่อเข้าใจอย่างนี้ก็จะมองเห็นความสำคัญว่า การพยายามสั่งสมวิบากของความดีให้มากและพยายามแก้ไขนิสัยสันดานที่ไม่ดีอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตและถ้าเราแก้ไขเรื่องนี้ได้เป็นผลสำเร็จเราก็แน่ใจได้ว่าชีวิตของเราจะประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป